อาการวัดของหลวงพ่อรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แต่มันก็ยังมีอยู่หูคอจมูกเหมือนหูจะดับลักษณะอย่างนั้นแหละหูอื้อตื้อพอคงจะขากสเสรตแรงเกินไปก็ไม่รู้นะมันไปกระเทือนถึงหูเหมือนกันนะหูคอจมูกอะมันเกี่ยวเนื่องกันแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วล่ะผู้มีอายุ อายุมากขึ้นมาแล้วเป็นวัตเนะี่ยหายยากแต่เป็นเร็วแต่หายยากอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้สูงอายุคนอายุกแก่ลวงพ่อสู่เจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยหนุ่มเมื่ อ, อไหร่เกือบจะเจ็ดสิบอยู่แล้วเนี่ยหกสิบวารละหกสิบหกหกสิบเจ็ดเข้ามาแลวเพราะนั้นเวลาเป็นอะไรมันเป็นง่ายแต่หายมันหายากเพระาะธาตุขัน มันใช้มานานเหมือนกนรนะน่ะนถ้ารถหนึ่งใช้มานานเวลามีอะไรกระเทือนหน่อยเนึงเสียละถ้ารถใหม่ไม่เป็นไรตกหลุมตกบอ่อก็ยังพอทนไหวถ้ารถแกนะไปตกหลุมแรงๆกันนั่นแหละพังไปทั้งแถบแลนะนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละทาดขันร่างกายของคนเราไม่ว่าผูดด้ใดล่ะ ไม่ว่าหลวงพอ่อไม่ว่าสูเจ้าเนะ่ยเมื่อแก่ขึ้นมาก็ต้องเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละธาอาหารตะกอนกเคยกินเคยใช้เคยอยู่เคยกระโดดโถ ด, ดเต้นมาก่อนแต่จะไม่เป็นเด็กแต่ทุกวัน ไ, ไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเอะไรเพราะมันแก่มันแก่ธาตุขันมันแก่มันทุพพลภาพมันจะไปหาจุดจบของมันถ้าเป็นรถก็ใข้าวทุพพลภาพใช้ไม่ได้ แต่รถยังดีนะยังซ่อมตัวนั้นซ่อมตัวนี้ถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ซ่อมได้แต่คนนี่นก็จะว่ามีอะไรไหมมีอยู่แต่มันก็หายากกว่าที่จะซ่อมได้มนุษย์มนาเป็นอย่างนั้นชีวิตแกเจ็บตายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนวันนี้ก็เนี่ยพระตอนบ่ายก็คงจะได้ไปไปชุมเพลิงเผาศพ ที่มุมวัดของเราอันนี้ก็อายุก็ยังไม่มากสี 40, ่สิบห้าสิบปีป่วยเพียงสี่วันก็ไปแล้วแต่สันนี่นสูตรไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรหวัดใหม่หรือฉีหนูก็ไม่รู้แต่ถึงยังไงก็ตายแล้วจะต้องได้เผาแล้วชีวิตของพวกเรา อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไว้จริงๆอย่าตั้งอยู่ในความประ ม, มาทนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรจะสั่งสมบุญกุศลควรจะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอายุแกซ ะ, ะก่อนจึงค่อยเข้าวัดเข้าว่าค่อยรักษาศีลภาวนาถ้าถึงยังไม่แก่ใต้ก่อนละ่ะแลล ว, ว่าเกิดมาทั้งชีวิตก็เปล่าประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะ ไม่ได้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ไม่มีคุณงามความดีเพราะนั้นเราอย่าไปผัดวันประกันพุ่งว่าปีหน้าซะก่อนอายุแก่ซะก่อนอายุเท่านั้นเท่านี้ซะก่อนจึงจะเข้าวัดจึงจะรักษาศีลจึงจะภาวนาอันนั้นเป็นความคิดคาดการอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้โดยมากมันจะผิดซะมากกว่า เพราะชีวิตเป็นของไปเทียงแท้แน่นอนน่าจะสังสมพอไปถึงคราวนั้นอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเรามีโอกาสมีเวลามีครูบาอาจารย์มีวัดวาศาสน า, ามันพร้อมพอที่จะเข้าศึกษาธรรมะพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ก็เข้าไปศึกษาจะดีกว่า เก็บหอมหลอมริบไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆปีนี้เก็บคะแนนได้เท่าไรปีหน้าเก็บเท่าไรเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีผลที่สุดก็คะแนนก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดเมื่อถึงจุดจบมาเราก็จะได้คะแนนของเราก็สูงขึ้นเมื่อคนคะแนนดีเราก็เอาชนะจะไปที่ไหนก็ได้เพราะคะแนนเราดี เหมือนกับคนที่ไปแข่งเรื่องต่างๆนะ โ, อโอลิมปุกโอลิมปิกวิทยองสูงวิทยาศาสตร์ของโลกนะคนมีคะแนนดีเขาก็ต้องไปเรียนไปแข่งโลกเขาได้ไปแข่งเื่องั้นี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าเราคะแนนไม่ดีเราก็ไปที่ไหนไม่ได้คะแนนของเราเนะี่ยคืออะไรก็คือบุญถ้าเรามีบุญกุศลในจิตในใจแล้วนั่นแหละเราจะไป เกิดในภพภูมิไหนก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเราต้องตายด้วยกันทุกคนแต่พูดทั้งนี้ท่า น, นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าว่าคนอื่นตายเราก็พอยังพอไปเล่นไฮโลไปกินเหล้าไปสนุกสนาน ไปงานเฮือนดีเขาได้เพาะงั้นภาษาบ้านเราไปงานเฮือนดีคล้ายๆออกไปสนุกสนานอ่ะพราะเขาตายไปไปเป็นเพื่อนผู้ที่อยู่แต่ถ้าว่าคนอื่นตายตัวเองก็สนุกกินเหล้าเมายาตบไฮโลไปเรื่อยแต่มาเจอกับตัวเองหรือญาติพี่น้องของตัวเองทีแต่น้ําตาลนองหน้าแล้วนะแต่นี่ยิ่งเป็นที่รักเคารพของเรา อย่างเป็นสามีภรรยาหรือลูกของเราที่รักพ่อแม่ของเราที่รักเราน้ําตานองหน้าแหลเยิ่งมาเจอกระตเุเอียงเข้าอีกใชว่าคุณเนี่ยเป็นมะเร็งน่ะนะอีกเท่านั้นเดือนเท่า น, นี้เดือนนะจะไปแล้วนะขาอ่อนแหละตาเหลือเข้ามาล่ะหาความสุขไม่ได้เนะ่ยจะเอาดนตรีคณะไหนที่มาขับมากลม มีความสนุกเพลิดเพลินขนาดไหนใจของเราก็าไม่ไปด้วยเพราะว่ามาลณ ะ, ะภัยถือดาบจังก้าอยู่ต่อหน้ า, ข, าของเราอยู่แล้วเราจะหาความสุขที่ไหนได้นี่แหละสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าครบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าไปคิดว่าเมื่อตายไปแล้ว ให้คนอื่นทําบุญให้เราขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่เรายังทําเมาเองไม่ได้เมื่อตายไปแล้วอยากจะให้พ่อให้แม่ให้คนอื่นทําบุญอุทิศสวนให้เรากระเท่านั้นแหละทําแบบเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทําเต็มใจไม่เต็มใจบ้างเผลอเผลอทะเลาะ ก, กันอีกทําะทำบุญอะไรมากมายนักหนาะทําเำ่านี้ก็พอแล้วเผลอเผอเขายังไม่อยากจะทําให้ตัวเองอีก เพราะนั้นขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เนะ่ยเราจะทำอะไรการทำบุญไม่ใช่ว่าเราจะควักเงินในกระเป๋ามาทำทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นการทำบุญรักษาศีลเป็นคนดีไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติพ่อแม่ทำสาธารณประโยชน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนมีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ให้รู้จักวัยวุฒิคุณวุฒิรู้จักสูรู้จักต่ำเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่ดีล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละแต่ทางว่าผู้ใดก็ตามทําตรงกันข้ามเป็นคนแข็งกล้าวไม่รู้จักพอ่อไม่รู้จักแม่ดากาศไปหมดจากนั้นก็กินเหล้าเมายาเที่ยวเตรไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วรักขโมยพ่นจี อะไรทำไปหมดขายยาบง่งยามาคัญชา ย, ยาฟินไม่ได้คิดว่าเขาเราถ้าเราจะขายเราจะทําขายกัญชาอย่างนี้ถ้าลูกของเราติดคัญชาเรามีความรู้สึกยังไงลูกของเราติดยาบ้าเรามีความรู้สึกยังไงพ่อแม่ของเราติดยาบ้ามีความรู้สึกอย่างไรง เ, รเรรไรพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดเขาเราเราเขาเขาเราเพราะฉะนั้นอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง ถ้าเราทำมันสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกรรมนั้นจะตามสนองตัวเองต่อไปภายภาคหน้าทำอะไรขึ้นมากันนั้นแหละลุงตูงนั่งไปหมดทนนี่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดไม่น่าจะเป็นก็เป็นไม่น่าจะลำบากก็ลำบากเพราะเหตุไรเพราะว่ากรรมที่กระทาไว้นั้นมันตามสนองตามมาให้ผลเราเียว่าอากตังทุ ก, กตังเสื่อยโยนที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีก กรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมติดตามย่อมให้ผลติดตามเราเมื่อภายหลังเราทำสิ่งไหนไม่ดีแล้วกรรมชั่วนจะตามให้ผลสนองเราเมื่อภายหลังพนั้นอย่าทาสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหละก่อนที่เราจะถึงจุดจบจุดนั้นอย่างที่ผู้ที่ตายไปแล้วก็ทำยังไงตายไปแล้วแต่พวกเราเนี่ยเป็นบทเรียน ให้เรียนให้ศึกษาเไว้ผู้ที่ท่านตายตายไปสมัยก่อนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านโควิง่งวิ่งเต้นขนควายหาเงินหาคําทรัพย์สมบัติมีอะไรก็ทําสุดๆเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแต่ผลที่สุดพอตายไปแล้วก็ไม่ได้ออกอะไรไปด้วยสักอย่างพอจากนั้นก็ไปกันเนี่ยนะเอาน้ํามะพร้าวลดหน้าล้างหน้า พอล้างหน้าก็ถ้าว่าคนเราเนี่ยทำยังไงใช่ไหมต้องเอามือปัดหน้าตัวเองเมื่อเขาลดหน้าอันนี้เฉยเอารดมือลดมือแล้วก็แล้วไม่มีอะไรค้างเลยว่า ง, งั้นเถอะพ้ที่สุดขนั้เ น, นี่ยจะ้ด้เอาเข้าเตาเผาเผาก็ยังเหลือแต่กระดูกจากนั้นก็เอาไปฝังไปฝังเอาไปลอยอังคารเอาไปฝังไว้ที่วัดเอาไปใส่ธาตุก็เท่านั้นแหละ เอาไปใส่าธาตุไว้กะช่ลูกกะสามีท่านนั้นน่ะรู้จักว่าอันนี้คือาธาตุของแม่ของตนพอถึงหลานแล้วก็เขาไม่ให้ความสําคัญละพอถึงเหลนแล้วก็ทีนี้กระดูกแตกกระจุยกระจายก็ไม่รู้กระดูกใครก็ไม่รู้ทีนี้สมพานวัดกับเคียเคียแล้วก็หาใครไม่ได้เลยก็เคียลุ่งหลมกทุบธาตุทิ้งม า, าธาตุมันแตกาธาตุกระดูกนะ่ะก็มีแค่นั้นเพราะนั้นเมื่อตายไปแล้ว อย่าไปใส่ธาตุนะดีที่สุดาธาตุนั้นมีความหมายสำหรับสามีกับภรรยาลูกลูกทนเองถึงหลานไปแล้วล่ะหมดละหมดความหมายเพราะนั้นอย่างไงจะเก็บที่ไหนให้เก็บไปเลยแต่ถ้าว่าเราเอาไปใส่ธาตุเอาไว้ใส่อะไรเอาไว้เนี่ยต่อไปภายภาคหน้ามันแตกกระจุยกระจายมันยิ่งหน้าแต่คนที่ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วหรอวะ แต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทุเล็ทุลังมา้งั้นกระดูกของใครก็าไม่รู้เจ้าของเขาไปที่ไหนก็าไม่รู้ญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ที่ไหนก็าไม่รู้ทําไมมาเก็บไว้อย่างนี้ทําไมไม่ไปฝังให้มันจบจบให้มัสิ้นไปเกิดมาทั้งทีชีวิตตายแล้วจะมีอะไรขณะมีชีวิตอยู่เท่า น, นั้นแหะที่จะสั่งสมคุณงามความดีที่จะสร้างบุญสร้างกุศลใจตัวเองตายไปแล้วก็มีแต่กระดูกท่านั่นแ่ละที่ไห ในหลักของพทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่สมควรที่จะสร้างาธาตุและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ้งมีอยู่ถูปราาบุคคลถูปราาบุคคลคือบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างสถูวุธและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ้งเพื่อให้คนได้กราบได้ไวาสการะบูชาเมื่อคนไปกราบไปไว่าสการะบูชาแล้ว เขาจะได้บุญอุษณ์กับการไปกราบไปไหว้นั้นคือพระพุทธเจ้าหนึ่งคือพระธาตุหรืออธิธาตุของพระพุทธเจ้าหนึ่งอธิธาตุของพระอรหันต์หนึ่งอธิธาตุของพระปฏิเจกพุทธเจ้าหนึ่งอธิธาตุของพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งแต่สามท่านนั้นคือพระพุทธเจ้าพระปัิเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกอันนั้นไม่ต้องว่ากันเพราะท่านหมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วสมควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องใส่ธาตุและเจดีสร้างพระเจดีขึ้นมาเพื่อเคารพสักการะบูชาเพราะท่านเป็นพระอระหันต์หมดจดจากกิเลสบดราคะโทสะโมหะแล้วแต่นอกเหนือจากนันุมาคือพระเจ้าจากักรพรรดินี่ทำใหม่เพราะพระเจ้าจากักรพรรดินี่ยังเวียนว่ายตายเกิดพร้อมที่จะตกนรกพร้อมที่จะไปเป็นเปรตพร้อมที่จะไปเป็นสัตว์ทิฏฐิชานได้นะพระเจ้าจากักรพรรดินี่ยังไม่แน่นอน แต่ว่าถึงยังไงก็าตามชาตินั้นชาติที่ท่านได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิน่บุญกุศลของท่านส่งอย่างเต็มที่ว่างั้นท่านได้รับบุญกุศลอันนี้สง์มากท่านจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในชาตินั้นพอท่านตายไปแล้วคู่คนทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิให้ความร่มเย็นเป็นสุกต่อปวงประชาทุกมู่ทุกเหล่าสมัยใดยุคใดสมัยใดพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดขึ้นมาในโลก ในยุคนั้นสมัยนั้นในครั้งนั้นไม่มีก่อนประตูไม่มีกุญแจเพราะเหตลไยคนจะไม่ไม่ขโมยไม่ขโมยโพยโจรไม่มีพระเจ้าจากักรพรรดิแนะนำสั่งสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษและก็เฉลีย่ยพระเจ้าจากักรพรรดิทำไมที่แรกคนมีขโมยอยู่ทำไมจะไปขโมยของเขาผมไม่มีอันจะ ก, กินครับเออเอาเอ า, เอานี่ให้ ไปไปตั้งตัวตั้งตนขึ้นมานะเอาให้ได้ใครคือเฉลือเฉลี่อกันให้ทั่วถึงบ้างนั่นแหะในยุคสมัยนั้นเพราะฉนั้นต่างคนก็ต่างมีทีนี่ก็เลยไม่มีขโมยโผยโจรในยุคของพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิให้ความร่มเย็นเป็นสุกแก่ปวงประชาทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันปกครองโดยธรรมมีศีลธรรมเป็นเครื่องอยู่ของปวงประชาในยุคนั้น ในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิตายลงไปประศุนิกรทั้งหลายก็ถวายพระเพลิงเพราะถวายเพลิงเสร็จแล้วก็เอาอธิธฐานท่านไปไว้ในทางสีแป้งตั้งเจดียด์ขึ้นมาคนก็ไปกราบพอกราบเสร็จแล้วก็เออพระเจ้าจักรพรรดิเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านเป็นผู้มีศีล ท่านเป็นผู้มีทานท่านเป็นผู้มีน้ำใจเพราะนั้นข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีสิ่งมิจิรยธรรมเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดินี่แหละคือคนมีความตั้งใจเหมือนข้าพเจ้าจากักรพรรดิเพราะว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นคนดีจากนั้นคนก็เมื่อไปกราบไปไหว้ก็น้อมตนจะทําตนเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิที่ท่านแนะนําสั่งสอนคนเหล่านั้นก็ไปสู่สวรรค์ได้ เพราะเหตุนั้นท่านจึงว่าพระเจ้าจะกระพัดสมควรที่จะไปสร้างเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายที่ครองชีพพรองเรือนอยู่สำหรับพระอรหันต์นั้นไม่ไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าพระปเจกิญพระเจ้าพระอ ร, ะระหันสาวกอันนั้นแปลว่าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างท่านและเจดีย์ถวายบูชา อย่างยิ่งแต่นอกจากนั้นเราไม่ควรพระพุทธเจ้าว่าไม่ควรจะสร้างสถูปและเจดีย์เพื่อบรรจุเพราะเหตุไรเพราะว่าก่อนที่จะตายเนะี่ยตัวเองก็คิดแล้วเบอกว่าข้าเนี่ยจะไปอยู่ในหงสุวยนั้นเขาจะสร้างธาตุขึ้นมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็สร้างธาตุขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะตายก็ใจก็ไปจดจ่อไว้แล้วไปหมายไว้แล้วพอตายปุ๊บภู่งไปเขาก็เอา กระดูกตัวเองเอาไปไว้ในตรงนั้นแหะตรงที่เขาบอกไว้นะ่ะตัวเองไปตั้งเอาไว้นะ่ะตัวเองไปแต่งเอาไว้พราในสุดวิญญาณของตัวเองก็ไปเกาะ อ, อยู่ที่นั่นแหละไปเฝ้ากระดูกแห้งตัวเองเที่นั่นน่ะไปที่ไหนไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าใจของเราไปเกาะไปติดอยู่กับร่างตัวนั้นไว้อยู่ไปที่ไหนไม่ได้ไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงเพราะตัวเองคิดว่าจะมาอยู่จุดนี้ จะไปเฝ้าทําไมเฝ้ากระดูกแข็งเพราตายไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรมิแต่ผุพังไปเรื่อยเหมือนกับเราไปเฝ้าซากรถอย่างนั้นนะรถที่มันตายไปแล้วก็ไปทิ้งในปา่าหญ้า ต, ตัวเองไปยืนเฝ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนทําให้ว่าโง่จะว่าอะไรเพราะมันตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วถ้าว่ามันหมดสภาพแล้วแบบนั้นไปหาเกิดที่อื่นสิบุญกุศลเรามีไหมเราไปหาเกิดที่อื่นไปเกิดพบอื่นชาติอื่นแต่ถ้าเรา ไม่มีบุญก็อย่างว่า น, นั่นโตๆเ ต, ต, ต๋ๆไปเรื่อยเพราะนั้นท่านที่ว่าให้เตรียมตัวตั้งแต่อย่างมีชีวิตอยู่ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งู่ในความประมาทถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามไม่ได้คิดไปในอนาคตแล้วจะลำบากเหมือนกับเราไม่ได้วางแผนชีวิตของตนเองได้มาเท่าไหร่กินหมดได้มาเท่าไหร่ใช้หมดแต่ละปี ไม่ได้เก็บไว้ว่าอนาคตปีหน้าปีต่อไปเราจะใช้อะไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะใช้ยังไงลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเราจะเลี้ยงดูเขาได้อย่างไรกินเป็นวันๆจบเป็นวันๆผลที่สุดคนคนนั้นไม่มีอนาคตไม่มีพี่น้องลูกหลานดูแลเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่มีอนาคตไม่มีการวางแผนเอาไว้นี้ก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราต้องมีแผนนะ ถ้าเราทำบุญไว้ต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้อยู่ได้กินพบหน้าชาติหน้าตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกแต่ว่าพวกเราไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามีเท่าไหร่กินหมดใช้หมดแต่เราไม่ตายง่ายลเลยท่านถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต่อไปภายในอนาคตเราไม่ได้เก็บเตรียมไว้ว่าเออปีหน้า เดือนหน้าปีหน้าถ้าเราไม่ตายง่ายเราจะได้ใช้อะไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลูกหลานได้เกี่ยวข้องเราจะใช้ยังไงอันนี้เราต้องเก็บหอมรอมริบเรื่องเงินคำทรัพย์สมบัตินี่ก็เหมือนกันบุญกุศลถ้าเราไม่เก็บหอมรอมริบเอาไว้อนาคตของเราจะเป็นยังไงเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคิดไว้นะคิดไว้ถ้าว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่มีอะไรจะเสียหายเราก็วางแผนดีแล้วถ้าตายแล้วเกิดเนี่ยนั่นแหละปัญหาจะต้อง ตามมาแน่นอนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมถ้าเราเตรียมพร้อมเขาไม่มีปัญหาอีกเพราะเราเตรียมพร้อมไว้ทั้งสองอย่างแล้วเพราะนั้นให้พระพุทธเจ้าจช่ไหมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตของพวกเราเท่านี้แหละที่หลวงพ่อพูดเราไม่ใช่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะมันตายจริงๆริจะว่ายังไงนั่งคิดยืนคิดนอนคิดเดินคิดแต่ไม่รู้จะวันไหนอีกต่างหากบางทีนั่งรถดีๆ สนุกสนานเพื่อเพลินเฮฮาไปลถลงข้างถนนกับตายเป็นปืนเขไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัว ก, กี่หนแล้ว ท, ที่พวกเรารู้เราเห็นเพราะนั้นชีวิตเนี่ยเป็นของเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบกับเหมือนหยดน้ําบนใบบวัวน้ําบนใบบวัวพวกเราเคยเห็นไหมใบบวัวมันกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนั้นแต่ตอ น, นี้พอลงมาแรงๆมันพัดใบบัว กลิ้งออกไปก็ตกจอมลงน้ำหมดแล้วจ้นี่ยไม่รู้เวลาไหนมันจะตกถ้าลมมาเมื่อไหร่แรงๆมันก็ตกถ้าลมไม่แรงเกิมัน ก, ก็กลิ้งอยู่นั่นนะอันนี้ค็เหมือนกันชีวิตของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะทางว่าเรายังไม่ถึงจุดจบเราก็สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปกินเหล้าเมายาไปงานศพก็้ก็ตกไ้โลไปเล่นไปกินเหล้าไปอ้อแอไปพอ พยายามบัจจุลาชมาถึงกันลากคอเราไปอ้าวจบไปสิ่งเหล่านั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดไม่มีอนาคตนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องคิดวางแผนเอาไว้จะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นกะ็คืออยู่ตามหลักธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทานเนอรักษาศีลเนอภาวนาเนอปฏิบัติธรรมเนอให้เตรียมตัวเอาไวนะ้เนอรชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนอะ อีกสักวันหนึ่งข้างหน้านี่แหละไม่รู้ว่าวันไหนถ้าว่างพวกเราเตรียมพร้อมแล้วนะ่ะบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราจะหาความสุขความเจริญเมื่อก่อนที่จะตายใจของเราก็ชุ่มใจว่างั้นเถอะและลึกถึงคุณงามความดีเออข้าพเจ้าได้ทำคุณงามความดีไว้แล้วใจของเราก็เบิกบานพร้อมที่จะหลับตารับสถานการณ์ในทุกเว ล, เวลา แต่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีโอ้ข้าพเจ้ามีแต่แต่ทําการทํางานทำมาหาเลี้ยงชีพบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ทําไปแล้วนี่ยังไม่เป็นที่อุ่มใจเลยแต่ข้าพเจ้าจะมาถึงจุดจบจะแล้วคราวนี้นะนี่แหละคล้ายคล้ายว่าคิดถึงคุณงามความดีของเรายังไม่เต็มที่แต่ว่าให้เต็มที่จริงๆรก็คงจะไม่เต็มที่สักคนหรอกเว้นไวแต่พระอราหารันต์เท่านะั้เต็มที่ท่านระนะะลึกขึ้นเมื่อไหร่ ท่านก็พร้อมแล้วเออเราพร้อมแล้วถ้าออกจากร่างนี้แล้วทิ้งพาชนะดินเราไปรับภาชนะทองคําประดับด้วยเพชรดินจินดาเราพร้อมที่จะทิ้งได้ทุกเวลานั่นคือพระหรหันต์แต่พวกเราไม่มั่นใจเลยสิพอทิ้งพาชนะกระเบือ้องอาจจะได้ภาชนะใบตองกล้วยก็ไม่รู้ว่างั้นะใบตองใบบอนอะไรก็ไม่รู้ว่างั้นเพราะนั้นเราไม่มั่นใจ เพราะนั้นให้เตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้ให้สั่งสมคุณงามความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเนะ้อนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนะ้อศรัธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะูนะ่ทุกคนเน้ออันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราให้ฟังเอาไว้นะแล้วก็ฟังไม่ใช่ฟังเฉยเฉยนะไตรตรองด้วยเหตุและผลไปด้วยคิดไปด้วยว่าจริงไหม ที่ท่านสอนบอกสอนว่าจริงไหมถ้าเราอยากจะเชื่อว่าเกิดและตายและสูญก็นั่งภาวนาสิเสร็จศึกษาที่เสวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเขาต้องศึกษาในพระพุทธเจ้าคนให้พวกเราศึกษาอยู่แล้วนี่ยนั่งภาวนาอยากจะรู้ว่าตายและเกิดตายและสูญ น, นั่งภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งอาศัยกันอยู่ตัวร่างกายคือนามัต รูประธรรมนี่ตายแน่นอนแต่นามธรรมนั้นไม่ตายนะตัวนั้นไม่ตายตัวนามธรรมตัวรู้ๆอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเอาตัวรู้ๆน่ะมาพูดมีความคิดนั่นแหละเอามาพูดแต่ว่าตัวนี้ล่ะตัวไม่ตายตัวที่รู้ๆตัวคิดๆอยู่เนี่ยไม่ตายพอร่างกายหลวงพ่อแตกลงไปเมื่อไหร่ตัวนี้ก mm. okay. ็ออกจากร่างกายไปแล้วเพราะงั้นเถอะถ้าว่าหลวงพ่อมีบุญมีกุศลก็หลวงพ่อก็ไปตามบุญกุศล ถ้าหลวงพ่อมีบาปหลวงพ่อไปตามบาปถ้าหลวงพ่อละกิเลสราคะโทสะโมหะได้แล้วหลวงพ่อก็ดิดผึงไปนิพพานเลยจบโรงงานนี่แหละให้พวกเราศึกษาศึกษาจุดนี้กายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันตายแล้วไม่สูญให้พวกเรานั่งภาวนาจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่แนะนำเท่านั้นนะครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้ามีแต่ชี้หนทางเท่านั้น ไปอย่างนี้อย่างนี้เนอะตอนนั้นเองแต่ผู้ที่จะเดินหรือไม่เดินเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราให้เดินตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองรับพรในอนุโมทนาให้พร